สเอกูนวีสติวัตหนกิเลสชะหนณะกถา 186. ว่าด้วยการละกิเลส8 2ดสกวาธีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีบุคคลให้ทมที่ดับแล้วดับไปให้ทมที่หายไปแล้วหายไป ให้ทมที่สิ้นไปแล้วสิ้นไปให้ทมที่ศูนย์ไปแล้วศูนย์ไปให้ทมที่ดับศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้สกวาธีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอดีตไม่มีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากิเลสที่เป็นอดีตไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้8 29ร้สกวาที บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีบุคคลให้ทําที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดให้ทําที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่ให้เกิดพร้อมให้ทําที่ยังไม่บังเกิดไม่ให้บังเกิดให้ทําที่ยังไม่ปรากฏไม่ให้ปรากฏได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหม ป ร, 是是ปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดท่านก uh ็ไม่ควรยอมรับว่าบ e ุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอนาคตไม่มีมิใช่หรือ ปรวาทีใช่ักวาทีหากิเลสที่เป็นอนาคตไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคค ล, ละกิเลสที่เป็นอนาคตได้830รัอกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กำหนัดละราคะผู้ขัดเคืองละโทสะผู้หลงละโมหะ ผู้เศร้าหมองละกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละราคะด้วยราคะละโทสะด้วยโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะสัมปยุตด้วยจิตมักก็สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีมีการประชุมแห่งภัสดสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีราคะเป็นอกุศลส่วนมักเป็นกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาว และเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษแต่ไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสูตรที่พระพุทมีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษทุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่งท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตว์ตบุรุษจึงห่างไกลกับธรรมของอสสัตตบุรุษมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปรวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้8 31. ปรอปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลละกิเลส ท, ที่เป็นอดีตกิเลส ท, ที่เป็นอนาคตกิเลส ท, ที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีบุคคลที่ละกิเลสได้ไม่มีใช่ไหม สกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีดังนั้นบุคคลจึงละกิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้กิเลสัชหนะนักถาจบสองสุญญาตากถา187ว่าด้วยความว่า832รสกวาทีความว่างนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานที่ไม่มีนิมิตก็นับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักกวาทีนิพพานที่ไม่มีในมิตท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมประวาที ie, ใช่สกกวาทีความว่างท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่าง ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขานขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความว่างนับเนื่องในสังขานขันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสังขานขันไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ใช่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสังขารขันไม่เที่ยงมีความแปลผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความว่างนับเนื่องในสังขารขัน แปดรสกวาทีความว่างแห่งรูปขนันนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างแห่งสังขารขันนับเนื่องในรูปขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างแห่งเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีใช่ <sk r informs S 1> <haya> <ama> สกาวาทีความว่างแห่งสังขารขันนับเนื่องในวิญญาณขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีความว่างแห่งสังขารขันท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปประขันใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีความว่างแห่งรูปขันท่านไม่ยอมรับว่าน <min> ับเนื like ่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักาวาทีความว่างแห่งสังขารขันท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในเวทนาขันนับเนื่องในสัญญาขันนับเนื่องในวิญญาณขันใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีความว่างแห่งวิญญาณขันท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น แปดร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความว่างนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมตระวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังขารนี้ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่นับเนื่องด้วยอัตตามีอยู่จริงมิใช่หรือตกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้น ความว่างจริงนับเนื่องในสังขารขันสุญญาตากถาจบสามสามัญญพลกถา188ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ835จักกวาธีผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมประวาธีใช่ สกวาทีผลแห่งความเป็นสมณะเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น แปดรสกวาทีผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีใช่ สักวาธีผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาธีโสดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาธีโสดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีโสดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีอรหัตตะมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรหัตตะมักเป็นสภาวธรรม ท, ท, ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอรหัตตผลเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีห้าอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีห้าอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามัญญาภรกถาจบ สี่ปฏิกถา189ว่าด้วยการได้837รัอยากวาทีการได้เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีการได้เป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เบรนเป็นที่ระลึกเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นนมตตะใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีการได้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น838ร้สกวาทีการได้จีวรเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการได้นิพพานเป็นอมะตะใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการได้จีวรเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีการได้บินธบาดการได้เสนาสนะการได้กีฬานปัจจัยเพศัชบริคาร เป็นสภาปะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการได้นิพพานเป็นที่มั่นเป็นนมตะใช่ไหมประวาทีาทไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการได้คิฬานปัจจัยเพสัชบริขารเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาที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 สักวาทีการได้จีวรเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้บินทบาตการได้เสนาสนะการได้คีฬานปัจจัยเภสัชบริการเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมี5้าอย่างใช่ไหม ปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาประธ ам ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีที่ต้านทานมีหอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีห้าอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยสามสกกวาทีการได้ปัตมชานเป็นสภาประธามที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ควรให้พิาดานทั้งหมดโดยในที่กล่าวมาแล้วการได้ทุติยชาญตาติยชาญจตุทัชาญอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมัก อนาคามิผลอรหัตมักการได้อรหัตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการได้เป็นนิพพานเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการได้อรหัตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง i, น, นิพพาน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 ช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการได้โสดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้โสดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้อรหัตมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้อรหัตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 ช่องว่างแห่งนิพพานมีเก้าอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น840ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการได้เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีการได้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณใช่ไหม สกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นการได้จึงเป็นสภาบธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิกถาจบ 5. ตัตากถา190ว่าด้วยความเป็นจริง841สกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาบธรรมทั้งปวง เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นนิพพานเป็นนามตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งนิพพาน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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสี่สิกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปนั้นเป็นนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นรูปแห่งรูป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 สักวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความเป็นเวทนาแห่งเวทนาความเป็นเวทนาความเป็นสัญญาแห่งสัญญาความเป็นสัญญาความเป็นสังขารแห่งสังขารความเป็นสังขารความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณ ความเป็นวิญญาณเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีความเป็นวิญญาณแห่งนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณความเป็นวิญญาณเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง นิพพานก็เ <sympath> ป <ize> ็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีหกอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีหกอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที ที่ต้านทานมีหอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีหอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดราปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นจริงแห่งสภาบธรรมทั้งปวงเป็นสภาบธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีความเป็นจริงแห่งสภาบธรรมทั้งปวงเป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมส ก, กวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีดังนั้นความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตถากถ า, าจบ6 ก, กุศลกถา191า19 1, ว่าด้วยกุศล844 สกวาธีนิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที นิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศล845สี่สากวาทีอโลภะเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีอโทสะเป็นกุศลอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีนิพพานธาตุเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีอโลภเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 เป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น846ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีนิพพานธาตุไม่มีโทษมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาที หากนิพพานธาตุไม่มีโทษดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลกุศนกถะจบ 7. จ็อจันตานิยามกัถา 192. ว่าด้ยวยความแน่นอนโดยส่วนเดียว 8.47. สจกวาทีความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุตชนมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีบุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าพระอรหันต์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตพ่อผู้ทำลายสง์ให้แตกกันเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น848ความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉาพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากวิจิกิจฉาพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ สกาวาทีวิจิกิจฉาไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สกว า, าวาทีเขาละวิจิกิจฉาได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกว า, าวาทีเขาละวิจิกิจฉาได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักาวาทีละได้ด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีละได้ด้วยมักไหนปราวาทีละได้ด้วยมักฝ่ายอกุศลสกวาธีมักฝ่ายอกุศลเป็นสภาวะธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงความสิ้นไปให้ถึงความตรัสรู้ ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมักฝ่ายอากุศลไม่เป็นตภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์แต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลสไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาทีหากมร่ายอากุศลไม่เป็นสภาบธรรมนำสัตว์ออกจากวัตทุกข์แต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวละวิจิกิจฉาได้โดยมร่ายอากุศล849ร้สก้วาทีหากอุเฉทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัตสตาทิฏฐิ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สกวาทีอุเฉทธัติธิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสตตติฐิใช่ไหมปรว า, าวาทีใช่สกวาทีเขาละอุเฉทธัติฐิได้แล้วใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเขาละอุเฉทธัติธิได้แล้วใช่ไหมปราวาที ใช่สกวาทีละได้ด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละได้ด้วยมักไหนปรวาทีละได้ด้วยมักฝ่ายอกุศล สกวาธีมักฝ่ายอากุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แนนอนโดยสัตสตาทิฏฐิละอุเฉตทิฏฐิได้ด้วยมักฝ่ายอากุศล 8.50 สิบกวาธีสัตสตาทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แนนอนโดยอุเฉตทิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากสักสะตสติทิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แนนอนโดยอุเฉททิฐิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแนนอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สกวาทีสัตสติทิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แนนอนโดยอุเฉททิฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเขาละสัตสทิทิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีเขาละสัตะทิฐิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละได้ด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละได้ด้วยมักไหน ปรวาทีละได้ด้วยมักฝ่ายอากุศลส ก, กวาทีมักฝ่ายอากุศลเป็นสภาวธรรมนํานสัตว์ออกจากวัตถุทุกท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉ ท, ทิฏฐิและสัจสตทิฏฐิได้ด้วยมักฝ่ายอากุศล851ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหม สกวาธีใช่ปรวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดาโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ ปรวาทีดังนั้นความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุตุชนจึงมีอยู่8ปดส ก, กวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุ ท, ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่า ความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสูตรทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีเขาโผล่ขึ้นแล้วกลับจมลงทุกครั้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกตุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดําโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนจึงมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ักวาธีพระสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกตุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, าวารวาทีใช่สกวาทีเขาโผล่ขึ้นแล้วก็ได้ที่พึ่งทุกครั้งใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น อ จ, จันตนิยามกถาจบ8อินทริยกถา193ว่าด้วยอินทีรีย์8 5สสัตทินสีที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีวิริยินทรียที่เป็นโลกิยะสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาธีปัญญาที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาธี สัทธินสีที่เป็นโลกิยะมีอย right? ู Hawaiian, truth, ่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีวิริยะที่เป็นโลกิยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญสีที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทร์ศีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัตทินรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรียีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสมนัสที่เป็นโลกิยะมีอยู่โสมนัสสินีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ชีวิตอินทรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหม ปร ว, รวาทีใช่สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัตทินรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ชีวิตอินทรีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ h h ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ปัญรีส right pues ีท right <pr> right? ี่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น854สศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัจตินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรียีที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินทรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัจทินทรียที่เป <hundred> ็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีโสมนัสที่เป็นโลกิยะมีอยู่โสมนัสินซีที่เป็นโลกิยะไม่มีชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ชีวิตอินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรียที่เป็นโลกิยะไม่มีชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ชีวิตินทรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้น855ร้อยหาสกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกุตระมีอยู่สัตทินรียที่เป็นโลกุตระก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัตินรีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิริยะที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญาที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญินรียที่เป็นโลกุตระก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ปัญญีสีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัตถินสีที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกุตระมีอยู่สัตถินสีที่เป็นโลกุตระไม่มีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีวิริยะที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินทรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาธีปัญญาที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญินทรียที่เป็นโลกุตระไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น856สิกกวาธีอินทรีห้า ที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเมื่อตรวจดูโรคด้วยพุทธจักษุก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซ้ำ สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นอินทรีทั้งห้าที่เป็นโลกิยะจึงมีอยู่อินทริยกถาจบเอกูนวีสติมวั์จบ รวมกถาที่มีในวัดนี้คือ 1. กิเลสชหณะกถา 2. ส, สุ ญ, ญาตากถาสามสามัญญพลกถา 4. ปัปฏิกถา 5. ตถตัากถา 6. ก, กุศลกถา 7. อัจอจันตนิยามากถา 8. อินทริยกถา